มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจะตุทธวั์ปฏิกัสเจวะวายามะกรณะปัญหาที่ห้า ถามว่าทำเพียรเพื่อดับความทุกข์ไว้ก่อนนั้นภายหลังถึงคราวไม่ต้องเพียรอีกหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการถามพระนาคเสนองค์อารหันว่าพันเทนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าตุมเหพระนทะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้แก่โยมว่าพระภิกษุบพรพชาเพื่อจะดับเสียซึ่งทุกนี้ มิให้ทุกอื่นปรากฏบังเกิดขึ้นนี่แหละโยมยังสงสัยเหมือนหนึ่งว่าภิกษุนั้นต้องเสียซึ่งทุกนี้มิให้ทุกอันอื่นบังเกิดได้ด้วยคิดว่าอาตมาจะดับทุกนี้จะเพียงเสียแต่เดิมที่ดับทุกเสียให้ได้สำปเตกาเลในเมื่อการที่จะต้องเพียรอีกมีมา ก็จะไม่ได้พยายามกระทำความเพียนต่อไปกรณี้หรือกอะไรพระนาเกษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารได้แก่ฝ่ายบรรพชิตคิดว่าเมื่อการจะต้องเพียนก็อุตสาพเพียนไปถ้าเหตุมีขึ้นจะไม่ได้เพียนต่อไปจึงพยายามเสียแต่แรกหวังจะไม่ให้พยายามต่อไป พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ให้พระหน้าเกษมอุปมาว่าอุปมังพันเตกรโรหิโยมยังสงสัยอยู่พระผู้เป็นเจ้าจงกระทาอุปมาให้แจ้งก่อนพระหน้าเกษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบานเหมือนบ่อพิพระราชสมภารชนี้และทรงพระดำริจะใคร่เสวยอุทกังให้สบาย จึงสั่งคนทั้งหลายให้ขุดสะโบกรณีปลูกปฐุมชาติลงไว้จะได้ให้เสวยน้าทันอยากหรือต่ออยากน้ำแล้วจึงจะให้ขุดสะใหญ่ลงให้ทันเสวยจะทันเสวยหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้โยมให้ขุดเสก่อนแต่แรกเร่งให้กระทาไว้ที่จะต้องประสงค์อุทกังเมื่อใด ก็อย่าพักให้ขุดสะน้อยใหญ่อีกเลยจึงสั่งให้ขุดสะน้อยใหญ่ไว้พระนาคเสนมีเทรวาจาถวายพระพรต่อไปว่าฉันใดก็ดีพิกสุที่เป็นบัรพชิตก็คิดว่าเมื่อการที่จะได้ทุกอื่นจะมาถึงจึงกระทำความเพียรดับทุกนี้เสียแต่เดิมมิได้กระทำความเพียรเพื่อจะดับทุกอันอื่นข้างหน้าต่อไปสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินป็นกษัตริย์ ได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนาตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งไปกว่านี้เถิดพระนาคเษนผู้ประเสริฐ จ, จึงถวายพระพร อ, อุปมาว่ากิงมัยญสิมหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารยังทรงสําคัญว่ากะไรเล่าเหมือนบอพิษพระราชสมภารเจ้าชะนี้และจะใคร่เสวยข้าวสาลี จึงสั่งให้กระทำนาหวังจะให้ทันเสวยจึงให้ทำไร่ไถนาหวานข้าวสาลีและข้าวแดงต่างๆลงไว้หวังจะให้ทันเสวยจะทันเสวยทันอยากหรือไม่พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตรยตรต์ตอบไปว่าณหิพันเตจะทันเสวยทันอยากที่ไหนนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเทระวาจาว่าข้อความนี้ฉันใดเล่า ภิกษุซึ่งบวชเข้าในพระศาสนาก็คิดว่าเมื่อทุกจะมีมาในการเบื้องหน้าจึงจะค่อยดับรับรองป้องกันจะทันที่ไหนจึงเพียงดับทุกไว้แต่แรกเริ่มเดิมทีหวังจะไม่ได้ภาคเพียนให้ลำบากต่อไปไม่ได้กระทำความเพียนต่อทุกข์อันมีมาถึงในเบื้องหน้าสมเด็จพระเจ้ามิลินป็นกษัตรสว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเษนองค์อรหาธิบดีจึงถวายพระพอรอีกเล่าว่ากิงมัยสิมหาราชะพระราชาสมภารเจ้าจะทรงพระวิตกศสำคัญกระไรเล่าเหมือนพระราชาสมภารเจ้าจะกระทำการป้องกันค่าศึกสงครามจะกระทำเสร็ตยังไม่มีค่าศึกมาหรือหรือต่อมีค่าศึกมากระทำสงคราม จึงคิดอ่านให้กระทำกำแพงค่ายคูประตูหอรบเชิงเทินต่างๆทำช้างข้าวช้างปลาฝึกช้างฝึกมา้าหรือเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกระสัตรัว่าหาไม่ได้โยมก็จัดแจงไว้แต่เดิมพระน่ า, าเกษนถวายพระพรว่าถึงบรรพชิตก็เพียรกระทำกิจเสียแต่เดิมเหมือนกันอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้า ก็ตรัสพระสัตธรรมเทศนาไว้เชนนี้ปฏิกัสเจวะตังกยิรายังชัญญาหิตามัตตโนณจะสากติจิตเตนะมันตาทีโรปรักกมูยะถาปิสากติโกนามะปันถังสมังหิตวามหาปันถังวิสมังมัคคะามารุหะอคัตชินโนวชายติ เอวังธรร ม, มาอปักกัมมะอะธรรมังอนุปัตติยามันโทมัจุมุขัปัตโตอขัดชินโนวชายยตีติพระพุทธฎีกาโปรดว่าธรรมดาบรรพชิต ร, รู้ว่ากิจสิ่งไรจะให้พ้นทุกข์ก็พึงภาคเพียรให้สำเร็จกิจเสียแต่เดิมอย่าดูเยี่ยงชาวเกวียนที่ทิ้งทางเก่าเสียเข็นไปทางใหม่ไม่เสมอเกวียนก็หัก เพลาก็หักตัวก็ซบเซาอยู่ดุจพระโยคาวาจรภิกษุไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรจึงให้เร่งเพียรไว้แต่เดิมพระเจ้ากรุงมิลินได้ทรงฟังก็โสมนัตตรดว่าสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าอุปมาในการบัดนี้ปฏิกัจเจวะวายามกากรณะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้